ทุกสั้นลงทุกน้อยลงขั้นแรกเลยเนี่ยถ้ามันมีประสบการณ์จากการดูกิเลสมากพอนะพอมีกิเลสขึ้นมาใหม่แล้วจิตไม่ได้ตั้งใจดูดูโดยที่ไม่มีเจตนาส่วนใหญ่ยุค ข, ของเราเนี่ยจะไปเป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็คือเข้าใจเกิดความเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราบางคนก็เข้าใจว่ามีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ถ้าจิตมันเข้าใจอย่างนี้นะเรียกว่าได้ธรรมะขั้นแรกเป็นพระโสดาบันเย้เป็นพระโสดาบัน <c oughs> แต่ถ้าบางท่านนะผ่านตรงนี้นะไม่รู้ไม่ทันสังเกตว่ากระบวนการเป็นยังไงก็มีเพราะนั้นต้องไม่ต้องไปเกรงว่าเมื่อไหร่ท่านจะได้โสดาบันถ้ายังเกรงอยู่นะยังไม่ใช่ แต่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตอนตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งเป้าให้สูงสุดตามที่พระเจ้าประสงค์คือขอให้พ้นทุกพ้นทุกคือเป็นพระอาหารหันตะ์